ชนิดหนึ่งนะหรืออย่างหนึ่งที่มีคุณค่านะต่อโลกแล้วก็ต่อชีวิตของผู้คนแล้วก็สรรพสัตว์มากเนี่ยกนะ็คือต้นไม้นะต้นไม้นี่ไม่เพียงแต่ให้อาหารนะให้วัสดุเพื่อทำเป็นยาที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เครื่องนึงหม่มนะยังทำให้เกิดความชุ่มชื้นนะแถมยังให้อากาศนะ ที่สำคัญนะต่อชีวิตของผู้คนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันดีนะจึงก็พูดว่าเนี่ยต้นไม้คือชีวิตนะขาดต้นไม้ก็ชีวิตก็สิน้นสุดไปแต่จริงต้นไม้นี่มีคุณค่ากว่านั้นนะไม่เพียงแต่ให้ร่มเงานะแล้วก็ทำให้เราเกิดความผ่อนคลายสบายใจ เวลาได้อยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้อย่างที่พูดไปแล้วนะเมื่อสองวันก่อนคุณค่าทางจิตใจยอย่างหนึ่งนะของต้นไม้คือมันสอนทำให้กับเราได้นะต้นไม้นี่เป็นแบบอย่างของความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและการรู้จักตอบแทนโลกนะต้นไม้นี่ได้อะไรจากโลกนี่ ก็คืนกลับหมดเลยนะ <c oughs> คืนกลับหมดได้น้ำจากฟ้าเนี่ยก็คายน้ำนะคืนให้กับฟ้าให้กับโลกได้ปุ๋ยจากดินก็ทิ้งใบทิ้งกิ่งนะหรือแม้แต่ผลเนี่ยเพื่อเป็นปุ๋ยคืนสู่ดินนะเรียกว่า ได้เลยจากโลกนี้ก็ตอบแทนนะกับคืนให้กับโลกรวมทั้งอย่างเกื้อกูลนะหลายสิ่งหลายอย่างนะการที่ให้ร่มเงาก็ดีการที่ให้อาหารให้ปัจจัยสี่กับมนุษย์แล้วก็สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตต่างๆนี่ก็ก็ถือว่าต้นไม้นี่เป็นผู้ให้ที่ประเสริฐมาก เวลาเจอแดดร้อนอนี่ต้นไม้นี่ก็เปลี่ยนให้เป็นร่มเงานะซึ่งก็สอนเราได้นะรู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขนะถ้าเราทำได้อย่างต้นไม้นี่โอ้ชีวิตเรานี่จะสุขสบายขึ้นได้ง่ายเลยนะต้นไม้เปลี่ยนแดดให้เป็นเงานะเปลี่ยนความร้อนใ้กอยเป็นความร่มนะถ้าเรารู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขนะ หรือเปลี่ยนปัญหากายเป็นปัญญาเนี่โอ้เราก็จะมีความทุกข์น้อยลงนะต้นไม้นี่เปลี่ยนขยะเปลี่ยนมูลสัตว์สิ่งที่เป็นปฏิกูลให้กลายเป็นปุ๋ยนะถ้าเราอยากเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมได้เนี่โอ้ก็ยิ่งวิเศษเลยต้นไม้นี่ก็ยังมีลักษณะอย่างหนึ่งนะคือนะ ความชื่อเหลือเกื้อกูลกันแต่ก่อนเราก็ไม่รู้นะเราคิดว่าต้นไม้แต่ละต้นนี้เขาต่างคนต่างอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะเราพบว่าต้นไม้นี่เขาเกื้อกูลกันอย่างเช่นมีบางต้นเนี่ยนะถูกตัดหรือแต่ต่อนเนี่ยต้นไม้รอบรอบนี่พยายามช่วยนะยังมีคนเขาพบว่าเนี่ยต้นไม้ หลายต้นในป่าที่มันกลายเป็นตอเนี่ยบอกว่าตอเนี้ไม่ตายนะเวลาขุดเปลือกไม้ไปเนี่ยมันยังมีอะไรเขียวๆอยู่แปลว่ายังมีชีวิตมันมีชีวิตได้ยังไงนะในเมื่อมันไม่มีใบที่จะสังเคราะห์แสงเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงตัวมันได้เนี่ยแล้วมันอยู่ได้ยังไงนะเขาบอกว่า มันอยู่ได้เพราะว่ามันได้สารอาหารจากต้นไม้รอบๆโดยเพพาะถ้าเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันนะต้นไม้อยู่รอบๆนี้ก็จะส่งอาหารไปให้กับต่อไม้นะทำให้อยู่ได้เป็นสิบปีเลยนะเครือบข่ายรากนะใต้ดินนี่อ น, น่าสะใจมากนะเพราะว่ามันสามารถที่จะ แบ่งปันอาหารให้กับตอทำให้ไม่ตายแล้วก็ยังพบว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ตอนะต้นกล้าที่กำลังรอวันเติบโตเนี่ยถ้ามีไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆนะถ้าเป็นพันธุ์เดียวกันนะไอ้ไม้ใหญ่นี่มันจะแบ่งปันอาหารไปเลี้ยงต้นกล้าผ่านทางราก รากของต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็ไปเกาะเกี่ยวใกล้ชิด ก, กับรากของต้นกล้าที่กําลังเติบโตแล้วมันก็แบ่งปันอาหารมันทําอย่างงี้เนี่ยผ่านผ่านเชื้อรานะราหานี่มันอยู่ตามรากแล้วก็ในลําต้นเนี่ยไอร้ราเนี่ยมันก็มีประโยชน์สำหรับต้นไม้นะเพราะเป็นตัวตใช้เป็นสื่อกลางนะอาหารของต้นไม้ใหญ่ก็ ถูกส่งไปให้ต้นไม้เล็กๆผ่านเครือข่ายราที่เกาะอยู่ตามรากของทั้งต้นไม้ใหญ่และต้นไม้เล็กไอ้ลานี่ก็สําคัญนะเพราะว่ามันก็ต้องพึ่งต้นไม้มันได้น้ําตาลจากต้นไม้โดยเฉพาะจากทางรากและมันก็ช่วยเหลือต้นไม้ทําหน้าที่เป็นไป่ายสนีนะ ส่งต่ออาหารสารอาหารเนี่ยไปให้ต้นไม้ต้นกล้าเล็กๆหรือต้นไม้ที่กำลังจะป่วยนะต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็ส่งแบ่งปันอาหารไปให้เพื่อไม่ให้ต้นไม้ที่อ่อนแอตายส่วนต้นไม้บางต้นนะที่มันป่วยแล้วก็มันกำลังจะตายนะ ถ้าเกิดว่าช่วยไม่ได้นะมันเสียสละนะมันจะแบ่งปันอาหารที่มันมีเนี่ยให้กับต้นไม้อื่นเพื่อให้อยู่รอดต่อไปฉันจะตายอยู่แล้วนะอยากกันนั้นเลยนะอาหารที่ฉันมีนี่ฉันนะกระจายไปให้แบ่งปันไปให้ต้นไม้อื่นๆนี่เป็นความรู้ใหม่นะที่เราเพิ่งค้นพบนะว่าต้นไม้นี่เขามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมากนะ แล้ว ก, ก็มีเครือข่ายช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแล้วก็ยังมีอะไรแปลกๆเกี่ต้นไม้หลายอย่างนะอย่างเช่นในแอฟริกามันมีต้นอะคาเซียนะอาคาเซียนี่ก็เป็นแบบเพศตระกูลเดียวกับสีเสียดส้มป่อยเนี่ยต้นไม้พวกนี้เนี่ยมันมักจะเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่เช่นช้างยีราฟนะแต่เวลาช้างยีราฟเนี่ย ไปกัดกินใบนะของต้นอาคาเซียนะมันจะส่งสัญญาณนะเป็นแรงสั่นสะเทือนไปให้มดเนี่ยมดที่อาศัยอยู่ในต้นอาคาเซียเนี่ยออกมาไอ้มดเนี่ยมันก็พึ่งพ า, าคาเซียนะเพราะว่ามันต้องอาศัยทั้งพโพรงเป็นที่อาศัยแล้วก็อาศัยน้ําหวานนะ จากต้นไม้เนี่ยเลี้ยงมันแต่ว่ามันก็ทําหน้าที่ช่วยปกป้องต้นหนัคาเสียนะพอมันมีแรงสัรสะเทือนจากต้นหนัคาเสียไปทั้งต้นเลยนะเป็นสัญญาณว่ามันกําลังมีสัตว์มากัดกินใบไม้เนี่ยมดที่มันจะออกมาเลยนะออกมาแล้วก็มากัดนะไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นยีราฟหรือว่าจะเป็นวัวนี่ลุมกัดจกนกระทั่งสายพุ่งยื่นล่าถอย อากาเสียก็ปลอดภัยว่ามันช่วยเหลือกันมากเลยนะตอนนี้เราก็รู้ว่าเนี่ยต้นไม้นี่มันมีการส่งสัญญาณไปให้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแมลงมดหรือต้นไม้ได้วยกันอย่างเช่นบางต้นนี่มันกำลังถูกสัตว์กินนะหรือว่าถูกแมลงเจาะมันจะส่งสัญญาณเลยนะไปทางรากเนี่ยไปให้ต้นไม้อื่นๆเนี่ยรู้ไว้ว่าเนี่ยกำลังจะมีภัยเข้ามา ให้เตรียมตัวนะต้นไม้ที่พอได้รับสัญญานี่มันก็อาจจะทำสารพิษปล่อยสารพิษตามลำต้นตามกิ่งตามใบเพื่อไม่ให้มแมลงนี่มาเจาะอันนี้เราว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะตัวหนึ่งเดือดร้อนก็นส่งสัญญาณไปบอกตัวอื่นให้เตรียมตัวนะจะได้อยู่รอดปลอดภัย หรือไม่เช่นนั้นก็ส่งสัญญาณไปให้หมดแมลงจะได้ช่วยเหลือกันไอ้มดนี่มันก็ดีนะรู้จักตอบแทนบุญคุณนะของต้นอาคาเซียที่มันอาศัยมีใครมาลุกลานนะต้นที่มันอาศัยนี่มันพร้อมจะสละชีพนะเพื่อจะปกป้องรักษาต้นไม้ให้ปลอดภัยแม้ว่าสัตว์ที่มันต่อสู้นี่จะเป็นช้างนี่มันก็ยอม อันนี้มันเป็นบทเรียนสอนใจคนเรานะคนเราเนี่ยอาศัยโลกนี้อาศัยป่าได้ประโยชน์พึ่งพาป่าเราก็ควรจะมีน้ำใจนะปกป้องรักษาต้นไม้รักษาป่ารักษาโลกด้วยนะขนาดมนุษนี่มันยังมีสํานึกนะความกตัญญูรู้คุณเนี่ยพร้อมที่จะตอบแทนต้นไม้ด้วยการสระชีพปกป้อง ไม่ให้สัตว์เนี่ยมาทำร้ายต้นไม้ที่มันอาศัยตอนนี้เนี่ยป่าหลายแห่งเรียกว่าทุกงขนแหงแล้วก็เดือดร้อนธรรมชาติก็กำลังเกิดวิกฤตนะเท่าคนเรามีจิตสำนึกนะมันต้องช่วยกันปกป้องรักษาป่าปกป้องสาธรรมชาตินะไม่ใช่พอเห็นธรรมชาติเริ่มแย่ก็ ต่างชกช่วยเอาประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุดเพราะว่าวันหน้าจะไม่มีโอกาสหรือว่าเพื่อเพราะว่าทําคือไม่ทําก็อดเพราะคนอื่นก็จะมาลุมทึ้งนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นความคิดแบบนี้คนจํานวนมากลนะุมทึ้งธรรมชาติก่อนที่จะไม่ได้ประโยชน์จากธรรมชาติต่ตอไปอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะที่จริงควรทําตรงข้ามคือปกป้องรักษาธรรมชาตินะยอมสลับประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้ธรรมชาติคงอยู่ ให้โลกได้ปลอดภัย